สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนาชีวิตนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสินีทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบสามสิงหาคมสอง2ห้าร้อยสี่สิบสองนะครับ วันนี้ผมจะขอคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องอามาหาสุปินสิบหกข้อของพระเจ้าประสิทธิโกศลาจากยอกความจากมาหาสุปินชาดกาซึ่งพระเจ้าประเสิทธิโกศลราชา แห่งแคว้นโกศลซึ่งมีเมืองหลวงมีเมืองสาวัตถีเป็นราชธานีพระเจ้าประเสินที่โกศลมีมาเหสีที่ฉลาดอยู่พระองค์หนึ่งคือพระนางมาริกาที่จริงก็เป็นผู้หญิงหับพืนเป็นผู้หญิงชาวบ้านธรรมดาเนี่ยครับเก็บปืน เก็บฝืนขายแต่ก็วันหนึ่งก็เก็บฝืนไปร้องเพลงไปพระจาาประสิิ์นิโกสนสเสด็จกลับมาแล้วก็จะเข้าพระราชวังก็ได้ยินเสียงร้องเพลงไปรอบก็ให้คนไปถามดูปรากฏก็ยังไม่มีสามีก็นำมาเป็น ไมเอีอบพระเจ้าประเสริฐที่โคนรสนก็ได้รับประโยชน์จากพระนางมาริกาเป็นอย่างมากเลย <c oughs> หลายๆเรื่องก็รพระนางมาริกาเป็นผู้หญิงที่แม้จะเกิดในตระกูลชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเป็นคนฉลาดเกืาอหลายรู้อะไรรู้เหตุผลเป็นคนมีเหตุผล ก็คืนหนึ่งพระเจ้าประเสริฐนาทีโกรลโสนเอาฟันที่พบคอตื่นเช้าขึ้นมาก็ประชุมพวกพรามบูโรหิตถามว่าฟันอย่างนี้อย่างนี้จะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นมีเหตุร้าเหตุดีอะไรเกิดขึ้นพวกพรามบูโรหิตก็ไม่รู้เรื่องมืดแปดด้านแต่ว่าจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เสียเชิง ก็กลับทูลว่าจะมีเหตุร้ายแก่พระองค์แกร่ราชสมบัติหรือแก่ชีวิตหรือจะมีโรคภัยไข้เจ็บใครแรงเกิดขึ้นพระเจา้าปเสนที่โกศลนั้นตามคำภีบาลีมักจะบอกว่ามันดาทาตุโกเป็นผู้โง่เขลามันดาทาตุโกเป็นผู้มีทา่าแต่งคนโง่าคนกลางโง่ว่าอย่างนั้นเถอะ ก็เชื่อเชื่อพวกรามปุโรหบอกว่าทำอย่างไรให้ทำอย่างไรบอกให้บูชา ย, ยาัญทำพิธีบูชา ย, ยาัญจับสัตว์ต่างๆชนิดต่างๆม า, มาโค บ, บ้างแพะบ้างสัตว์หลายชนิดมารวมกันเพื่อจะทำพิธีบูชา ย, ยาัญพวกรามก็หากินท้งนี้หากินทางนี้เป็นทางธรรมะหากินของพวกราม แอ่พระนางมริกาก็ทราบข่าวเรื่องนี้ข่าวก็เลยไปทูลพระจพเจ้าปเสนที่กคสนว่าถ้าผู้ทำนายฝันที่ยิ่งใหญ่บรมครูผู้ยิ่งใหญ่ก็อยู่ใกล้ใจนี้เองทำไมจึงไม่ไปถามในที่สุดก็ชวนกันไปชวนกันไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าตัดบอกว่าก็ไม่มี啊 เขาไม่มีเรื่องอะไรหรอกในรัชสมัยของพระองค์อันตรายอย่างชีวิตก็ไม่มีโรคภัยก็ไม่มีไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าต่อไปภายหน้าจะมีจะมีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกี่ยวกับพระองค์ไปอย่างนั้นนะครับก็ให้พระเจ้าปสิ น, สนที่กฤษทูลเล่าความฝันทีละข้อ แระวผูเจ้าก็ทรงทำนายทรงทานายทรงพยากรทีละข้อรวมทั้งหมดสิบหกข้อด้วยกันอันนี้ผมย่อความมาจากมหาสุบินชาดกระว่าย่อจริงๆนะครับยอ่อข้อความเยอะแต่ยอ่อหรือนิดเดียวแต่ว่าผมจะช่วยขยายความให้ความฝันประการที่หนึ่งนะครับฝันว่าโคสีตัว วิ่งมาจากสี่ทิศคิดว่าจะชนกันแต่ไม่ชนคือว่าพอจะถึงกันแล้วแล้วก็ถอยไปถอยออกไปต่างตัวต่างก็ค่อยๆถอยออกไปพระพุทธเจ้าส่งพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าเมื่อในสมัยที่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมฝน ผลตั้งข้าวมาจากทิศทางสี่ว่าจะตกแต่ไม่ตกเราก็เรื่องมันก็มีเท่าเนี้ก็ไม่มีอะไรในข้อหนึ่งนะครับผลตั้งข้าวมาจากทิศทางสี่เมฆลอยลงตำ่ำตั้งข้าวก็เหมือนฝนจะตกแม่บ้านแม่เรือนก็วิ่งเก็บผ้าเก็บผ่อนอะไรกันแต่ฝนก็ไม่ตกนั่นก็จะมี ฝนก็ไม่ตกก็มีเท่านี้ทีนี้ผมก็จะขยายความไม่นิดหนึ่งว่าในเรื่องที่ฝนไม่ตกหรือฝนตกนี่มันเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้อยู่ด้วยถ้าเผื่อว่าคนเราช่วยกันดัดไม้ทําลายป่ากันไปหมดด้วยความโลภด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยความไม่เห็นแก่ส่วนรวมใ้ต้นน้ำำานําลําธารมันก็แย่ ถ้าฝนก็ไม่ตกไม่มีสิ่งดึงดูดไม่มีตัวซื้อให้ฝนตกแล้วก็ฝนตกลงมาแล้วก็ไม่ตัวที่จะไม่มีสิ่งที่จะด้ดึงน้ําเอาไว้ไม่มีส่วนที่จะไม่มีสิ่งที่จะดึงน้ําเอาไว้ก็จะน้ําท่วมฝนตกก็น้ําท่วมใหญ่แล้วก็ฝนไม่ตกแล้วฝนตกขึ้นมาอะไรก็น้ําท่วมใหญ่ ทนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้ก็เลยนึกถึงที่พระพุทธเจ้าท่านจัดเอาไปในเรื่องาราอาทิตย์เจ็ดดวงพระาอาทิตย์เจ็ดดวงก็จะนํามาเล่าพโนกเอาไว้ด้วยนะครับในสมัยต่อไปพระพุทธเจ้าท่านจัดกับกิตสุทั้งหลายที่อัมพปาลีวันพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่อัมพปาลีวัน ใกายนครเบสาลีได้จัดกับพิกษุทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมควรเบือนานายควรครายกำนัดความหลุดพ้น <c oughs> ในสังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็จัดว่าพิกษุทั้งหลายคุณเขาสินเนรุกว่างใหญ่เป็นหมื่นหมื่นโยชนี้ อาจมีการบางคาวที่ฝนไม่ตกหลายปีฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีท่านลองนึกดูฝนขนาดฝนไม่ตกปีเดียวจะแยกกันอยู่อันนียฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายหมื่นปีหลายแสนปีอันนี้เมื่อฝนไม่ตกเพือตะกรมภูติกรม หมายถึงต้นต้นไม้ใบยญาต่างๆนะครับอินทรีาติที่ใช้เป็นยาได้โอสธีตีนังโอสัตทีตีนังหญ้าใบยญ้าที่ทำเป็นยาได้อันนี้คำว่าโอสถนี่มีเขียนสะกดได้สองตัวนะครับโอสดท่อทงสะกดก็ได้ทอถุงสะกดก็ได้อ ในที่นี้ในที่นี้ใช้คาว่าโอสถีโอสถะโอสถนะครับโอสถีตีนหัง <c oughs> ยาที่เป็นโอสถที่เป็นยาและป่าไม้ใหญ่ทั้งหลายก็จะเหี่ยวเฉาเป็นอยู่ไม่ได้ฉัน้นใดสังขารทั้งหลายก็ชั น, นั้นไม่เทียงไม่ยัง่งจืนไม่น่าชื่นชมภิกษุทั้งหลายโดยการร่วงไปนาน ในการบางค่าวคือในภายหน้าพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏขึ้นในการนั้นแม่น้ำลําคลองย่อมจะงวดแห้งไม่มีน้ำฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมพิสุทั้งหลายล่วงไปอีกนานจะมีพระอาทิตย์ดวงที่สามขึ้นในการนั้นแม่น้ำสายใหญ่ใจเช่นคงคายมุนา อัญเชีญวัดดีสระภูมะฮียอมจะเหิดแห้งไม่มีน้ำเกิดพูดถึงแม่น้ำในในอินเดียนะครับเพราะมันกลยตัวบุคคลผู้ฟังจะไปอ้าจะไปอ้างแม่น้ำอเมซอนหรืออะไรก็เขาคิกสุเวลานั้นก็คงไม่ได้ไปก็เอาแม่น้ำที่อยู่ในอินเดียหรือแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรนี่ก็ <c oughs> ทางการทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าเชื่อชมพิสษุทั้งหลายล่วงไปอีกนานจะมีพระอาทิตย์ดวงที่สีปรากฏขึ้นการนั้นแม่น้ําสายใหญ่ที่ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําใหญ่ก็จะงวดแห้งไม่มีน้ําฉันใดสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าเชื่อชมพิสูจทั้งหลายล่วงไปอีกนาน ปราทิตย์ดวงที่ห้าจะปรากฏขึ้นในการนั้นนะะ้ำในมหาสมุทรอันลึกตั้งแต่ร0อยโยชน์ขึ้นไปถึงเจ็ดร้อยโยชน์จะงดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตานหรือเพียงชั่วต้นตานเดียวหรือเหลือน้อยที่สุดเพียงแค่ข้อเท้าและเพียง ในรอยเท้าโคฉันใดสังขารทั้งหลายเพราะฉั้นนั้นไม่เพียงไม่ยังจืดไม่น่าชืช่อชมที่สุดทั้งหลายล่วงไปอีกนานจะมีพระอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏขึ้นในการนั้นเป็นดินใหญ่นีและขนเขาสินเนรุย่อมจะมีกลุ่มควันพุ่งขึ้นเป็นควันที่ไหนช่างมอเผามอ ภิกษุทั้งหลายสังการทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมภิกษุทั้งหลายล่วงไปอีกนานพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏแผ่นดินใหญ่นี้และคุณเขาสิเนรุจะมีไฟติดทั่วลุกโชนช่วงมีแสงเพลินเป็นอันเดียวกันตั้งแต่นั้นลมจะห่อเอาเปลวไฟฟุงไปจนถึงภลมะโลก เมื่อภูเขาซิเนรุถูกไฟเผาไหม้กำลังทำลายลงถูกกองเพลิงใหญ่เผาท่วมตลอดแล้วยอดเขาอื่นๆที่สูงสี่ร้อยรอยยน์ก็ย่อมพังทลายลงแต่แผ่นดินใหญ่และคุนเขาเหล่านั้นอันพังทลายลงแล้วเพราะถูกไฟเผานั้นไม่ปรากฏที่เท้าและขมอเลย แต่ว่าไฟแรงมากจนไม่ปรากฏที่เท่าเละก็เหมามันหายไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมควรเบื่อนหน่ายควรรุดพ้นไปเสีย <c oughs> ภิกษุทั้งหลายในข้อ น, นี้ใครเล่าจะรู้ใครเล่าจะเชื่อว่าคุณเขาสินเนรุและแผ่นดินใหญ่นี้จะถูกไฟไหม้พินาฐไม่เหลืออยู่ นอกจากอริยาสาวกผู้มีบทแห่งธรรมเนตรแล้วลคือพระอรยะนะครับอันนี้ก็ข้อความจากอังคุตตานิกายสัตรกรนิบาศบทเจ็ดนะครับพระเจ้าพิโกเล่มยี่สิบสาเล่มยี่สิบสาหน้าบาลีหนึ่งร้อยสองเรื่องข้าที่ขึ้นเจ็ดดวงนี้นะครับผมเองผู้บรรยาย ยินได้ฟังมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเด็กเรียนอยู่ชั้นประถมนะก็ได้ยินเรื่องนี้แล้วแต่ไม่ละเอียดถึงไม่ละเอียดอย่างนี้เพือได้ยินว่าต่อไปภายหนา้าจะมีพระอาทิตย์ขึ้นเจ็ดดวงโลกจะร้อนแต่ทีนี้ก็ไม่เคยพบหลักฐานที่ที่มาแน่นอนก็มาพบในสัตตกนิบาตอังคุตนาฬิกายตามที่ นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับเวลานี้คนก็กลัวกันอยู่นะครับว่าโลกร้อนขึ้นทุกวันโลกก็ร้อนขึ้นทุกวันแล้วก็ที่เกรงอย่างหนึ่งก็คือเกรงว่าน้ำแข็งน้ำแข็งในขั้วโลกเหนือจะละลายแล้วก็จะท่วมลงมาจะมีน้าท่วมโลก ทีนี้พูดถึงเรื่องประอาทิตย์ก่อนนะครับว่าอาจเป็นไปได้หรือไม่ว่าในการภายหน้าพระอาทิตย์ในจักรวาลอื่นๆอาจจะโคจรมาพบกันกล่าวโดยบังเอิญหรือว่าโดยจักตราศีของดวงอาทิตย์นั่นเองแล้วก็ทำให้มีรัศมีเริงแรงเกิดความร้อนจนเผาไหม้แม้แต่แผ่นดินและคุณเขา ต่างๆให้หมอดเป็นจุลวิจุดไปอะไรก็ตามนะครับข้อความในพระสูตรที่กล่าวถึงนี้ก็เพียงแต่ว่าพระศาสดาทรงมีพระประสงค์จะทรงแสดงถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสําคัญแล้วก็เน้ยนย้ำให้ภิกษุทั้งหลายว่าสังขาร ทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยัง่งจืนไม่น่าชื่นชมจะควรเบลือหน่ายหรควรพ้นไปเสียอ่ากนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> แล้วก็โลกร้อนขึ้นก็กลัวกันอยู่เหมือนกันว่าต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ตามความรู้สึกก็เป็นแน่จริงๆคือโลกร้อนขึ้นผู้พูดเองใช้ชีวิตอยู่ โดยไม่ต้องใช้พัดลมเลยมาจนถึงอายุสามสิบไจนถึงอายุสามสิบไม่ได้ใช้พัดลมเลยครับก็อยู่ได้ไม่ต้องใช้พัดลมแต่ว่าเป็นเวลานานมาแล้วประมาณสามสิบสามสิบห้าปีมาแล้วต้องใช้พัดลมแล้วก็แทบจะที่เรียดูการคือต้องใช้พัดลม ไม่ว่าจะเป็นน า, ร, นนานร้อนน้าฝนหรือน้าหนาวก็ต้องใช้ผัดหลงเรารู้สึกว่าใครๆก็รู้ว่าว่าโลกมันรอนขึ้นโดยสาเหตุต่างๆพอรู้ๆกันอยู่อันนี้ไม่ต้องพูดอนะครับทีนี้พูดถึงน้ำท่วมโลกอันนี้ก็ในเท็นิยายกรีกก็มีพูดถึงเรื่องที่ซิลหรือพระพรอะสวติเนี่ยบรรดาลใน้น้าท่วมให้น้าท่วมโลก ทีแรกก็ต้องการจะให้ไฟไหม้โลกแต่ที่ดี้เกยงว่าถ้าเปลือกไฟไหม้ถ้าไฟไหม้โลกมันจะร้อนไปถึงเทวดาด้วยเทวดาก็คือตัวซิวเองนั่นแหละซิวหรือซิวสนั่นเองก็จะเดือดร้อนไปด้วยแต่ถ้าบัรดาให้น้ำท่วมโลกก็น้ำท่วมเฉพาะมนุษย์ท่วมไปไม่ถึงเทวะโลกก็ไม่เป็นไรเทวดาก็อยู่สบาย <c oughs> สนุกสิ <c oughs> แต่เรื่องน้ำเรื่องในหลายศา ส, สนาได้พูดถึงเรื่องน้ำท่วมโลกนักวิทยาการสมัยใหม่เชื่อกันว่ามีตางเป็นไปได้ที่จะเคยมีน้ำท่วมโลกมาสักครั้งหนึ่งตั้งแต่มีโลกที่มีมนุษย์อยู่มีหมาที่น้ำแข็งใช่ก็คือว่าน้ำแข็ง ตอนขั้วโลกเหนือได้ละลายไหลป่าลงมานี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ปรากฏในเทพพยายกรีหรือว่ารลับที่ศาสนาของกรีกก็ก็สอนกันอยู่พูดกันอยู่ในเรื่องนี้ทีนี้ก็มีผ <c> ล <oughs> ดีหลายอย่างที่ทำให้ชาติกำลังจเจริญขึ้นเพราะว่าไม่เชื่อในเรื่องเท พ, พยยเจ้าต่อมาก็คือว่าไม่เชื่อ ในความเมตตาการุณาของพระเจ้าหรือเทพพระเจ้าที่เป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์ว่าคอยแกล้งมนุษย์อยู่เรื่อย <c oughs> ว่ามีร้ายอะไรเกิดขึ้นมีความร้ายอะไรเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ก็เป็นการการแกล้งของเทวดาของเทพชั้นผู้ใหญ่ทั้งนั้นก็เลยไม่ชอบแต่ว่าสิ่งที่เป็นความสุขความเฉยเมมนุษย์ต้องทําเอาเอง อนุษย์ต้องเอาเองแผ <c oughs> นการปกครองของกรีกโบราณก็เริ่มด้วยการมีพระราชาแล้มีฐานะอย่างเทวราชเหมือนกันแต่เทพนิยายกรีกพวกนี้ก็จะสอนมนุษย์ไม่ให้ไว้วางใจทเทพเจ้าแต่แล้วความเชื่อถือในผู้ใหญ่ผู้ปกครองผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็น้อยลงเพราะว่า ผู้กครองผู้ใหญ่ก็หวงฐานะของตัวมากกว่าผู้ที่อยู่ใต้ปกครองอย่างเช่นซีอุสหรือซีลเพอร์ร์สเดีเป็นต้ น, นที่แรกก็ต้องการจะให้ไฟไหม้โลกแต่กลัวว่าตัวเองจะเดือดร้อนก็เลยบันดานในน้าท่วมโลกมาตัวไม่เดือดร้อนทำนองเี้นะครับไฉะนั้นฝรั่งเขาก็เลยบอกว่า ช่วยตัวท่านเองก่อนแล้วพระเจ้าิ่งจะช่วยท่านปันความคิดในการที่ไม่ไว้วางใจออผู้ปกครองนี่มันก็ทำให้ช่วยตัวเองทำให้คนพวกนั้นช่วยตัวเองไม่ไว้วางใจโดยประการทั้งไม่ไว้วางใจเสทั้งหมดคือไม่มอบตัวให้ทั้งหมดมันก็เลยทำให้เป็นคนช่วยเหลือตัวเอง อันนี้เป็นเรื่องข้อหนึ่งนะครับผมก็ที่จะพูดอะไรไปทางไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรด้วยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างกรนี้ประการที่สองความฝันย้อนกลับมาความฝันประการที่สองของพระเจ้าปเ ส, สนทิโกศลต้นไม้เล็กๆประมาณหนึ่งถึงสองคืบโผล่นดิน ผลิดอกออกผลหมายความว่าอะไรนิบเดียวโผพ้นดินต้นไม้ประมาณหนึ่งครบถึงสองครบเพิ่งโผพ้นดินผลิดาขึ้นมาย่างผลิดอกออกผลหมายความว่าอะไระพระพุทธเจ้าก็สคงพยากรว่าต่อไปภายหน้ายิ่งจะแต่งงานมีลูกตั้งแต่อย่างเด็ก ถึงจะแต่งงานแล้วก็มีลูกตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่แต่ถ้าย้อนหลังไปถึงสมัยก่อนนู้ดสมัยเมื่อคนอายุหกหมื่นปีสองหมื่นปีไอ้คนอายุห้าร้อยปีเพิ่งจะแต่งงานแต่ที่นี่ในสังคมของเราเวลานี้ถ้าดูกันให้ดีๆนะครับอันก็เฉพาะสังคมชนบทนะนะครบับผู้หญิงที่แต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะว่าเขาไม่ได้เดรียนนเขาอยู่ไปก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําอะไรก็คงทํางานอย่างเดิมจะแต่งงานอายุน้อยแต่งงานอายุมากก็ทํางานอย่างเดิมทํานาทําสวนสืบต่อจากต้นตระกูลหรือญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไมาผู้ชายก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นทําไร่ไถนาไปบวดกัญชาเดียวเสร็จออกมาก็แต่งงาน แต่ว่าผู้หญิงชาวบ้านชาวเมืองโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆเวลานีอา้อยู่อายุมากสวนมากอายุมากกว่าจะแต่งงานต้องเรียนหนังสือต้องทำงานต้องสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรจนอายุสามสิบสี่สิบแล้วก็ยังไม่แต่งบางคนก็ทำงานเพลินไปเลยลืมไปเลยไม่ได้แต่งงานก็อยู่สบายดีเหมือนกันไม่ได้แต่งงานเป็นอิสระแต่ตัวดีเหมือนกัน อันนี้เป็นความฝันประการที่สองนะครับ เ, เรื่องนี้ก็คงจะคุยอะไรได้ไม่มากแต่าเวลาหมดพอดีครับท่านผู้ฟังชื่อกระโกครับเอาไว้ข้อสามข้อสี่ข้อห้าอะไรต่อไปค่อยๆ ค, คุยไปคุยกับท่านผู้ฟังไปตอนนี้เวลาหมดแล้วครับก็คงจะขอหยุดเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ประทารายการและท่านผู้ฟังโดยโทษ่วกันสวัสดีครับ คือรายการทจำแลษษะศาสนาชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมวสิณีทนศนทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ครับวันนี้เป็นวันจันทร์แรกวันจันทร์สัปวันแรกของสัปดาห์นะครับวันจันทร์ที่เท่าไหรวันนี้วันจันทร์ที่สิบหกนะครับ สิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบสองครับ เ, เรื่องที่กําลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ตอนนี้นะครับคื อ, เ, อ, อเรื่องออพุทธพยากรณ์นะครับพุทธพยากรณ์คือเรื่องที่พระเจ้าเปอร์เซ็นนะที่โกศลพระเจ้าเปอร์เซ็นนะที่โกศลได มาทูนถามพระพุทธเจ้าถึงประสุบินลิมิตนะครับสิบหกข้อด้วยกันแระพพทธเจ้าก็ส่งพยากรเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่ครับผมได้พูดการท่านผู้ฟังไปได้สองข้อนะครับสงข้อด้วยกันข้อหนึ่งก็ ว่าโคสีตัววิ่งมาจากสี่ทิศคิดว่าจะชนกันแต่ไม่ชนก็ส่งพยากรว่าต่อไปในภายหน้ า, าฝนทั้งเท้าว่าจะตกแต่ไม่ตกทีนี้ก็สองอต้นไม้เล็กๆประมาณหนึ่งถึงสองคืบโถพ้นดิน ผลิตอบออกผล อ, อันนี้หมายความวม่กากอะไรก็ทรงพยากรว่าหญิงจะแต่งงานมีลูกตั้งแต่อายุยังเด็กอายุอย่างน้อยนะครับอันนี้ก็ผมได้พูดกับท่านผู้ฟังมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับทีนี้ก็อันนี้ก็มาถึงข้อที่สามนะครับ สุบินนิมิตข้อที่สามพุระเจ้าก <c oughs> ็พระเจ้ า, าเปรตที่โกศล <c oughs> ก็ใจกลาบทูลพระพุทธเจ้าว่าใ้สุบินนิมิตเห็นแม่โคพากันดื่มนมลูกโคแม่โคพากันดื่มนมลูกโคที่เกิดในวันนั้น อันนี้ก็พระพุทธเจ้าได้ทรงพยาก่อนว่าต่อไปในภายหน้าในอนาคตคนทั้งหลายจะละทิ้งธรรมคือความเคารพผ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่จ ะ, จะทอดทิ้งธรรมคือความเคารพต่อผู้ใหญ่ ทีนี้ผู้ใหญ่พ่อแม่ปู้่าติยายก็จะงอเงอนเด็กๆเป็นอยู่งองอนเด็กๆเป็นอยู่คือว่าจะต้องอาศัยเด็กเป็นอยู่แต่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่าต่อไปในภายหน้าทีนี้ทํำยังไงครับทำอย่างไร ทำอย่างไรผู้ใหญ่เราถึงจะมีความเป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องงอ้อเด็กคือทำอย่างไรให้ให้พยายามที่ว่าทำอย่างไรจะเป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องง้อเด็กเหมือนกับที่มอดแม่โคต้องไปง้อลูกโคดื่มนมลูกโคอันนี้ผมว่าเราต้องมีการเตรียมตัวบ้างนะครับ วลนนี้ทาวที่สังเกตุคื อ, ผ, อผู้ใหญ่ที่ลาบากยากจนผู้ใหญ่ที่ลาบากยากจนหาไม่พอเลี้ยงชีวิตจำเป็นต้องอาศัยเด็กต้องอาศัยผู้น้อยนี่ค่อนข้างจะลาบากนะครับ เ, เพราะว่าเด็กเวลานี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ผู้ใหญ่เท่าไหร่ค่อนข้างจะลำบาก วิธีทำยังไงผู้ใหญ่เราจะได้เตรียมตัวเพื่อจะ เ, อเป็นที่พึ่งแก่ตัวเองได้ถึงจะมีผู้ใหญ่บางจำนวนจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายเนี่ยแต่ว่าทำยังไงให้ผู้ใหญ่บางจำนวนคือว่าให้มีจำนวน มากที่จะพึ่งตัวเองได้รักษาตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งเด็กอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ผมคิดว่าประการแรกนะครับเราจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีให้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเองได้ในทางสุขภาพ ก็ทางสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจสุขภาพทางร่างกายนี่ถ้าเผื่อดูแลเป็นนะครับก็เพิ่งตัวเองได้ อ, อย่างคือว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยชะลอชะลอเวลาออกไปในการที่จะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นช่วย ทำให้ยืดเวลาออกไปได้มากในการที่จะพึ่งตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ใช้เป็นเวลานานหรือแก่แก่มากจนจนพึ่งตัวเองไม่ได้นั่นก็คือว่างอมแล้วอันนี้ก็เป็นธรรมดาทุกคนที่พองอมเข้ามันก็พึ่งตัวเองไม่ได้ก็ต้องพึ่งคนอื่นบ้างตามสมควรแต่ว่าใช้เวลาระยะสั้น ก่อนที่จะตายไปก็ไม่นานนักเพราะว่ามีสุขภาพที่ที่ดีพอสมควรพอจะพึ่งตัวเองได้อันนี้ก็ต้องระวังไปตั้งแต่อายุยังไม่แก่มากนะครับยังไม่แก่มากตั้งแต่กลางคนหรือว่าระวังไปตั้งแต่ยังหนุ่มก็ยิ่งดีนะครับระวังไปตั้งแต่ยังหนุ่มก็ยิ่งดี เราได้สุขภาพกายที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็สุขภาพจิตนี่สำคัญนะครับสุขภาพจิตผู้ใหญ่นี่ต้องพยายามให้สุขภาพจิต ด, ดีอยู่เสมอผมได้คุยกับท่านผู้ฟังมาหลายครั้งนะครับหลายรักหลายครั้งหลายแห่งหลายที่บอกว่าอะไรจะเสียไปก็ช่างมันเอถอะขอให้รักษาสุขภาพจิตไว้ก่อน ครับรักษาสุขภาพจิตไว้ก่อนถ้าเรามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็อย่างอื่นมันจะก็ดีก็ค่อยๆดีหรือที่เสียไปแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าสุขภาพจิตไม่ดีแล้วก็มันจะแย่ไปหมดนะครับทรัพย์สินสมบัติอะไรอะไรต่งางๆที่เรามีอยู่ ทรัพย์สินสมบัติที่มีอยู่ฮะก็จะหมดไปแล้วที่จะหาใหม่ก็หาไม่ได้แต่สมมติว่าสุขภาพจิตเสียจนถึงกับเป็นบ้าไปานี้นะครับจะทำยังไงถึงจะเป็นบ้าไปถึงจะมีทรัพย์เท่าไร่มีอะไรเท่าไร่บริวารเท่าไหร่สะสมไว้เท่าไรในที่สุดมันก็เสียไปหมดเลยพอเป็นบ้าไปเราก็เลยเสียไปหมดเลย แล้วก็รักษายากด้วยนะครับคนจะเคยบ้าสักคนแล้วก็เออ่ถึงจะพื้นได้แล้วก็มาอยู่บ้านอยู่อะไรมันก็ไม่เหมือนปกติส่วนมากมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดได้อะไรทานองนั้นเพราะฉั้นต้องพยายามระวังรักษาตัวไว้ก่อนว่อย่าให้บ้าไปถึงยังไงก็อย่าให้เป็นบ้า <c oughs> อันนี้ก็เรื่องการเรื่องสุขภาพจิตนะครับสำคัญมากเลยสำหรับผู้ใหญ่ที่จ ะ, ะพึ่งตัวเองได้ทำให้เราพึ่งตัวเองได้คราวนี้ก็เรื่องการเงินการเงินการทองนี่สำคัญเหมือนกันเรื่องเศรษฐกิจต้องเก็บไว้บ้างนะครับแล้วก็จะไปไว้ใจลูกหลานว่าจะเลี้ยงดูเราจริงๆ สวายากกันนะครับคนกตัญยูกระตะเวทีนี่เป็นบุคคลที่หาได้ยากอย่างพวกหนึ่งในโลกที่พระพุทธเจ้าท่านจัดเอาไว้ว่าบุคคลอนาแน่ยากของย่ำพวกพวกหนึ่งก็คืออุปภการีผู้ที่ทําอุ ป, ปการะให้ก่อนแล้วก็สองกตันยูกระตะเวทีผู้ที่มีความกระตัญยูกระตะเวทีหาได้ยากนี้เราต้องรู้ความจริงอันนี้เอาไว้ตั้งแต่เนิ่น ว่าคนที่กตัญญูกัะเทวเวทีนี่หาได้ยากไม่ใช่ไม่มีครับแต่ว่าหาได้ยากเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเจอลูกหลานที่มีความกตัญญูกัะเทวเวทีเต็มใจที่จ ะ, ะเลี้ยงดูผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยความเอื้ออาอรด้วยน้าใจอันงามก็ค่อนข้างจะหาได้ยากเราจะโชคดีอย่างนั้นหรือเปล่า ตั้งปัญหาถามเอาไว้ว่าเราจะโชคดีอย่างนั้นหรือเปล่าเราอาจจะไม่โชคดีก็ได้เพราะฉะนั้นก็ตอนยังหนุ่มตอนาอายุยังไม่มากยังมีกำลังวางชาที่จะหาทรัพย์สินพอจะเลี้ยงตัวเองได้เก็บสะสมไว้บ้างเพื่อจะเลี้ยงตัวในยามชรา หรือว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนี้นะครับโดยไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นให้เขาเอารู้สึกว่าเป็นการรบกวนเข า, เ อ, าอย่างนี้ก็ก็เป็นคนแก่ที่อยู่สบายนะครับเนื้อ ย, อยู่มากขึ้นก็จะอยู่สบายลูกหลานมาง้อเสียด้วยซ้ําไปเพราะว่าแปลว่าลูกวัวได้กินโคได้กินนมแม่วัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องไปงอกินนมลูกวัวที่เกิดในวันนั้นอย่างอย่างที่กล่าวไว้ในคำทีนี้แล้วที่สำคัญประการหนึ่งก็คือว่าฝึกลูกหลานให้เป็นคนที่มีความกระตันยูกระเทเวทีวิธีฝึกลูกหลานให้มีความกระตันยูกระเทเวทีนี้ก็คือว่าประการที่หนึ่งก็พูดให้เขาฟังแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นอยู่ให้เขาเห็น คือผู้นี้เขาฟังถึงคุณค่าของความกระตันยูกระตเวทีให้เขาเห็นชัดๆเนนะครับว่าคุณค่าของความกระตันยูนั้นมีอยู่อย่างไรปาะชาคมเราหรือครอบครัวของเราจะรอดได้ก็เพราะว่าคนกระตันยูต่อกันไม่ใช่ลูกหลานจะต้องกระตันยูต่อพ่อแม่อย่างเดียวเพราะทุกคนจะต้องมีความกระตันยูต่อกันแล้วก็โดยที่พ่อแม่นั่นแหละ ทำตัวอย่างให้ดูพูดให้ฟังทำตัวอย่างให้ดูเป็นอยู่ให้เห็นโดยการกระตันญูกตะเวทธธีต่อปู่ย่าตายายองเด็กเนี่ย <c oughs> ทาตัวอย่างให้เห็นเขาได้เห็นอยู่ทุกวัน <c oughs> เขาจะแทรกซึมเข้าไปแล้วก็มันพูดถึงความดีของคนอื่นที่มีต่อเราให้เด็กฟังบ่อยๆนะครับ พูดถึงความดีของคนอื่นที่มีต่อเราให้เด็กฟังบ่อยๆอใครที่เคยทําความดีให้เคยเพื่อเพื่อเพื่ออาถอนมีน้ําใจงามต่อเราก็พูดให้เขาได้ยินแต่ว่าถ้าเป็นความไม่ดีของใครต่อใครก็อย่าออกมาพูดให้เด็กได้ยินถ้าไม่จําเป็นจริงๆนอกจากว่า จะยกตัวอย่างให้เห็นความเสื่อมเสียหรือความไม่ดีว่าทำอย่างนี้ไม่ดีดูคนนั้นสิเห็นไหมเท่าที่เขารู้จักเห็นไหมทำไม่ดีทั้งนั้นอย่างนั้ น, น, นแล่ก็ได้รับผลไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นเห็นไหมไอ้อย่างนี้ก็เจตนาในการที่จะสอนอให้เขาเห็นตัวอย่างที่ชัดเจนขึ้นแต่ไม่ใช่ตั้งใจที่จะ นินทาว่าช้ายหรือว่าพูดรายต่อผู้อื่นให้เด็กได้ยินบ่อยๆมันจะเป็นสรางเป็นการสร้างนิสัยแบบนี้ให้เขาโดยไม่รู้ตัวคือเขาคิดว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยางบางคนนี่สับสนมากเลยครับว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ถูกเพราะว่าผู้ใหญ่กะทาให้เขาหังเล่ คือเขาเรียนมาอย่างหนึ่งศึกษามาอย่างหนึ่งได้ยินได้ฟังจากตำราจากหนังสือจากครูบาอาจารย์มาอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่พ่อแม่ทำนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง <Yeah. S 1> เขาก็ลังเลว่าอกอะไรคือสิ่งที่ถูก <Yeah. S 1> อย่างนี้ครับก็ความลังเลอันนี้ทําให้เด็ก <Yeah. S 1> เ, เสียความสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง กว่าจะกลับตัวได้กว่าจะตั้งมั่นได้กว่าจะมีจิตใจมั่นคงในคุณงามความดีได้ว่าอะไรคือความดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีต้องใช้เวลานานเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ผู้ใหญ่ที่เห็นแก่นาคของเด็กต้องระวังนะครับเราคิดว่าเด็กไม่สนใจเด็กบางทีทท่าทีไม่สนใจทำดูทีวีเฉยทา แต่ทำการบ้านทำเล่นของเฉยแต่หูฟังนะหูฟังว่าผู้ใหญ่พูดอะไรนี่ได้ยินหมดฟังแล้วเขาก็เข้าใจว่าสอนเขานั้นนั่นนะเพราะฉะนั้นก็พยายามพูดถึงสิ่งที่ดีๆให้เด็กได้ยินได้ฟังอยู่เสมอก็จะเป็นการสอนเขาไปในตัวเป็นการสร้างสารอุปนิสัยของเด็กให้ดีนะครับ แล้วเขาก็จะดีต่อเราดีต่อเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทําเป็นผลพลอยได้เป็นผลได้ที่เราได้ฝึกฝนอบรมเขามาโดยจะโดยที่เขารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแต่เป็นความตั้งใจของเราถือว่าถ้าเราสอนลูกน้องให้เป็นโจรอีกหน่อยลูกน้องมันก็ปล้นเราแต่ถ้าเราสอนลูกน้องให้เป็นบัณฑิตลูกน้องก็จะ สนองเราด้วยความดีด้วยคุณงามความดีอันนี้ท่านไม่ต้องสงสัยครับท่านแน่ใจลงไปได้เลยครับถ้าเผื่อเราสอนจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามให้ลูกน้องของเราเป็นโจรอีกหน่อยเขาจะมาปล้นเราอีกหน่อยเขาจะมาขาโมยของเราแต่ถ้าเราสอนลูกน้อง หรือคนใกล้เคียงของเราให้เป็นบัณฑิตเป็นคนดีแล้วสิ่งนั้นมันจะกลับยอกย้อนมาสนองเราแน่นอนครับขอให้มีความมั่นใจในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะขยายเนื้อความในมหาสุบินชาดกในข้อที่สามนนะครับในข้อหนึ่งครับผู้สูงอายุเนี่ย ต้องพยายามที่จะทางานอะไรทำอยู่เสมอครับคือให้เป็นคนที่มีงานทำถึงไม่ทำข้างนอกก็ทำในบ้านออมีถ้าคนที่มีงานคนขวามีงานศึกษาไม่รู้จักจบสิน้นมีงานที่สามารถจะใช้ตัวเองได้ตลอดเวลานี่ถือว่าโชคดีโชคดีเพราะว่าเขาจะเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนั้น อยู่แทบจะตลอดเวลาคือเวลาของเขาเป็นงานเป็นการเป็นจะเรียกว่าเป็นเงินเป็นทองก็ได้ถึงจะไม่ได้เงินทองภายนอกแต่มันได้คุณธรรมได้คุณสมบัติได้ความรู้ได้อะไรที่มันมีค่ายิ่งกว่าเงินทองจะอีกสิ่งเหล่านั้น น, น, นะครับเพราะนั้นก็ต้องเตรียมตัวว่าเมื่อเราแก่ อายุมากขึ้นเราจะมีงานอะไรทำในช่วงนั้นก็ต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเรื่องพวกนี้ประมาทไม่ได้เพราะว่าพอถึงเวลาค่าจริงๆมันจับอะไรไม่ทันอันนี้เป็นเป็นข้อที่สามนะครับที่ว่าแม่โคใหญ่พากันดื่มนมลูกโคคนทั้งหลายจะละทิ้งธรรมคือความเคารพห่อ น, น้อมต่อผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เช่นพ่อแม่ผู้ย่าตายายอาจจะงอพวกเด็กๆ เ, เป็นอยูอ่ยังเหลือเวลาอีกสักงสามนาทีก็ลังฮนะตอนนี้คิดว่าอาจจะจะพูดต่อไปข้อที่สี่ก็คงไม่จบนะครับคงจะขอจะต้องจบเกียนข้อนี้ก่อนอขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ธรรมดาคนหน่มคนหนุ่มเวลาเรายังหนุ่มเนี่ยครับเรามีกำลังวังชามากก็ควรจะต้องหาทรัพย์สินตั้งหลักฐานอะไรเอาไว้ให้ดีแต่ถ้าเผื่อพลาดโอกาสจากเวลานั้นไปแล้วตอนที่อายุมากขึ้นเข้าย่างเข้าสู่ปัติมวัยชาราภาพกำลังวังชามัน อ่อนกําลังลงคือทําอะไรให้เหมือนอย่างเก่ามันไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะต้องไปใช้กําลังในการที่จะทําอะไรในตอนแก่นี่ก็น่าสงสารมากเลยครับเช่นว่าต้องแบกของขายต้องหาของขายต้องใช้กําลังในการที่จะต้องทํามาหากินเลยครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงจัดว่า <c oughs> คนยังหนุ่มมีกําลัง ไม่ขยันเป็นคนเกียจคร้านมีความดำริจมมีความดำริจบสังสรรณะสังกับพมโนกุศีโตเป็นคนเกียจคร้านมีความดำริที่จมลงคือไม่มีความคิดริเริ่มนะครับ <c oughs> เขาก็จะต้องนอนทอดถอนนอนทอดถอนใจในภายหลัง เ, เหมือนนกกเรียนเหมือนนกกเรียนแก่ที่ตกลงไปใน หนองน้ำที่น้ำมันแห้งหมดแล้วปลาก็ไม่มีก็ได้แต่นอนถอดทอน อ, อยู่ฉะนั้นในพูะเจ้าท่านจั่งไวตอนอยุวะผลีถ้าเปื่อยังมียังเป็นคนหนุ่มมีกำลังอยู่ก็ต้องรีบทารีบทาสิ่งที่จะทำได้หรือว่าด้วยกำลังทั้งหมดธามาวาด้วยกำลังทั้งหมดดันหาประรักษโมมีความบากปัน่นมั่นค อันนี้คิดตัทุโรไม่ทอดทุระคือรับผิดชอบกุศเลสุทำเมสุในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายในคุณธรรมทั้งหลายในสิ่งที่เป็นความดีงามทั้งหลายทะยันมันเพียรท่านผู้ฟังที่เขาเลิครับสําหรับวันนี้นะก็ก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอ ค, ความสุขสวัสดีเป็นมีแด่ท่านผู้ปรทับรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ